ก็คิดลักษณะนี้แต่พอพอรู้ว่าขันเออบางทีไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ย ม, มันชื่นชมนะชอบแต่พอรู้ว่าจะไปแบกขันในไบายภูมิเนี่ยโอ้ไม่เอาเดื อ, อดร้อนใจเลยเนี่ยเดื อ, อดร้อนใจฉะนั้นถ้าพิจารณาตรงนี้ก็จะเห็นบว่ า, วาอานิสงส์แห่งการฟังทำตามการสนทนาทำตามการ ท่านพนันทากาท่านแสดงอานิสง์ในการฟังธทำตามการและในการสนทนาธรรมะตามการปินไปตามลำดับคือผู้แสดงธรรมเป็นผู้ที่รักใคร่ของพระบรมศาสด า, ศ า, ศาหรือพระบรมศาสด า, าเป็นที่รักใคร่ของผู้แสดงธรรมนั้นประการที่สองผู้แสดงธรรมก็ทราบซึ้งในเหตุผลอันลึกซึ้งของธรรมะที่ตนแสดงประการที่สามผู้แสดงธรรมแทงตลอดเนื้อความอันลึกซึ้งแห่งธรรมะนั้นๆ ทั้งผู้แสดงทั้งผู้ฟังนะแล้วก็ได้วิปัสนาญาณได้มัคคปัญญาก็คือผู้แสดงธรรมหรือผู้ฟังธรรมะเนี่ยสามารถจะเข้าใจธรรมะที่ตนยกขึ้นมาแสดงแล้วก็บรู้เป็นพระริยาบุคคลก็ได้ประการที่สเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของเพื่อนภิกษุด้วยกันหรือว่าเพื่อนประพฤติพรหมธรรมด้วยกันผู้แสดงธรรมนั้นเน่ยเมื่อบรู้แล้วหรือไม่ก็คงจะกําลังบรูนะ้ธรรมเนี่ยประการที่4ี่เป็นอนิสงส์ของผู้แสดงทั้งสิน้น ส่วนประการที่ห้าเป็นอนิสงค์ของผู้ฟังธรรมโดยเฉพาะคือว่าผู้ที่ฟังธรรมที่ยังไม่บรรลุธรรมเมื่อฟังธรรมงามเป็นต้นแล้วเนี่ยย่อมปรารบความเพียรเพื่อให้ได้บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนท่านผู้ฟังธรรมเนี่ยนะที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วหมดกิจที่จะต้องบำเพ็ญแล้วเมื่อได้ฟังธรรมะนั้นแล้วย่อมประกอบหนึ่งๆซึ่งธรรมเป็นเครื่องอยู่สุขในปัจจุบันทั้งที่เป็นโลกิยะบ้างโลกุตระบ้างเออนี้เป็นอย่างนี้นะ อันนี้ทําให้ทําให้มองเห็นว่าถ้าหากท่านที่เป็นพระอรหันเนี่ยท่านฟังธรรมปุ๊บเนี่ยแล้วท่านจะได้เอามาปารถในการอยู่สุขที่เป็นโลกิยะสมาบัติของท่านบ้างหรือว่าโลกุตระสมาบัติบ้างือเป็นอย่างนี้นะแต่เรามองจากคําสอนตรงนี้ก็จะทําให้เราเห็นว่าพระอรหันนั่นก็ฟังธรรมใช่ไหมเรานึก ว, ว, ว่าเออคนบนรรลุแล้วไม่ต้องฟังธรรมที่ไหนได้ท่านบนรรลุแล้วท่านก็ฟังธรรม เพรทั้งฟังธรรมเนี่ยบางองค์ท่านธรรมเพื่อจะศึกษาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปที่ท่านยังไม่ได้ศึกษาอีกบางองค์ก็คือว่าเมื่อท่านศึกษาแล้ว น, นั่นเปิดเสร็จแล้วท่านก็เอาไปเจริญเลยดเดี๋ยนี้เอาไปเจริญไปอบร ม, มเพื่อจะได้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันของท่านนี่เป็นอย่างนี้ประการต่อมาก็คือว่าอีกสูตรหนึ่งในวัดชีปุตตะสูตรที่เก้าวะนาสังยุตมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งว่าภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นบุตรของกษัตริย์คว้นวชียะอยู่ป่าแห่งหนึ่งนะใกล้ใกล้เวสลีในขณะนั้นนะได้มีมหโหระเตรมีการละเล่นวัวนนิใสใจและตาลายๆชอบคนมันสูงๆต่ำๆที่ถอดออกถอดเข้ายังคิดอะไรมากไ้สายตา ไ, ไอ้มองอะไรมันวิ่งคล้ายๆว่ามันไว้มองไกลใช่ไหมวเวลามองไกลเนี่ยมันเดืมองเมา อย่างนี้เขาไ้ดูหนังสือโดยเฉพาะอันนี้เราจะไปกล้องพูดอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องไปยองต้องต้องเลือกเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดีอยู่อย่างแล้วมันดีอยู่อย่างไงยตั้งแต่ตาที่มันเริ่มนั้นๆันขึ้นมาเนี่ยมันทำให้มองคนดีแต่ก่อนนะตามันชัดเกินไปมองคนเห็นหมดอะยรลี้วเล็กๆน้อยน้อยจุดดังๆดำดๆจุดเล็กเก็ยังแอบไปเห็นก็ยิงนะ่งเน มันทําไม่มองอะไรก็ไม่ดีเลยทีนี้มันชัดไปอะทีนี้พอพอมันมัวๆหน่อยเออมันดีว่ามันมองคนมันไม่เห็นเสิวไม่เห็นฟ้ากันมองโอ้หน้าตาก็ดีกว่าเออมันดีเนี่ยนี่มันหลอกเงี้ยแต่อย่างนั้นโอ้โหถ้ามันชัดเกินไปแต่ก่อนเนี่ยมองๆไปไหว้พระธาตเนไปไปไหว้เหลือไปดูปุ๊บเนี่ยขนาดเออที่มันแตกเล็กนิดเดียวก็เห็นนลยนะ เห็นว่าเอ้ า, เ, อาเห็นรอยพระธ า, าตุล้วนิดมันก็เห็นเนี่ยมันแต่ถ้ามันตอนนี้เวลาไปเห็นองค์พระธาตาุสวยหมดเลยตรง น, นี้เห็นดีหมดเเนี่ยน้ำตาหมู่มวกก็ดีอันนี้มองให้มันดีเนี่ยทีนี้เขามีการละเล่นกันตลอดทั้งคืนในเมืองเวสาลีภิกษุรูปนั้นได้ยินเสียงดนตรีเสียงคองเสียงกองเสียงประกรมบดนตรีต่างๆในเมืองเวสาลีก็กล่าวลำพันขึ้นคนเดียวว่าคือ คนเคยได้ยินเสียงดนตรีใช่ไหมบางทีเราอยู่ในวัดเนี่ยเขาเล่นอะไรต่างๆมันก็ได้ยินเหมือนกัน น, นะนะใครดูจะคิดเหมือนพระรูปนี้ท่านคิดไหมพระรูปนี้ท่านอยู่ในป่าผู้เดียวท่านก็คิดบอกว่าเราอยู่ป่าแต่ผู้เดียวเหมือนกับท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้แล้วฉะนั้นในเวลากลางคืนเช่นนี้ใครเล่าจะเลวกว่าเราอีกเขาว่าเงินเลวคือแย่ครับคือมาพิจารณาบอกว่าโอ้โหเนี่ย เขาสนุกสนานกันในบ้านในเมืองใช่ไหมแต่เราเนี่ยมันนั่งซบเซาอยู่ในป่าอยู่คนเดียวเนี่ยถ้ามองกันแล้วเนี่ยมันไม่มีใครเลวเท่าเราเลยว่าเรานี่แย่ที่สุดระหว่างนั้นพอท่านลำพึงลำพันอย่างเนี้ยนะเทวดาองหนึ่งที่อยู่ในป่านั้นก็กล่าวขึ้นด้วยความหวังดีต่อภิกษุนั้นบอกว่าท่านอยู่ป่าแต่ผู้เดียวเหมือนกับท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าไม่มีใครเหลียวแลก็จริง แต่เทพพ ย, ยดาและมนุษย์เป็นอันมากพากันนิยมยินดีท่านเหมือนกับสัตว์นรกยินดีต่อสวรรค์เชนนะั้นโอ้ฟังงี้ใจมันชื้นขึ้นมาเนี่ยวเออมันน่าคิดยังไงเนี่ยเอออันนี้เอาไว้ตรึกสมมติถ้าเราอยู่คนเดียวนี่เนะี่ยเขาไปเที่ยวสนุกสหานกันแล้วก็ไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปกับเขาเนี่ยเออเอาไว้คิดแบบนี้แต่เราคิดตำหนิตัวเราเองว่าแหมเขาไปกันหมดเราไม่ได้ไปเราอยู่คนเดียวแย่ yeah, แล้วเกินเราเนี่ยเนะี่ยในทั้งนองอ่าง เทวดาอกว่ามูสัตว์นโลกเนี่ยเขาพากันชื่นชมสวรรค์นี่ยเหมือนมนุษย์หรือว่าเทวดาทั้งหลายก็เหมือนกันเขาชื่นชมภิชิุที่ปฏิบัติแบบนี้นะเขาไม่ได้ชื่นชมภิกษตที่ไปประพฤติคลุกคลีได้หมูหม่คณะอม่ใชาฉะนั้นการประพฤติการขัดเกลากิเลสการอยู่คนเดียว ก, การตรึกในพระธรรมเป็นต้นเหล่านี้ถึงคนไม่ยกย่องแต่บรรัณฑิตทั้งหลายเขายกย่อง อย่างเราประพฤติปฏิบัติในีบางทีไม่มีใครมายกย่องให้เราได้ยินใช่ไหแต่เชื่อไหมในจักรวาลเนี้ยคนที่มองเห็นเราด้วยตาทิพย์ด้วยทิพยจักรโคเยอะเขาแอบชื่นชมเราตั้งเยอะใช่ไหมบางทีเราอยู่อย่างนี้อไม่เห็นมีใครมาหาหรือสมมติเงี้ยนะให้นึกอย่างนี้พลิกสรูปนั้นได้ฟังแล้วก็เกิดสลดใจพิกสรูปนี้เป็นลูกกษัตริย์เคยแวดล้อมด้วยความสุขสนุกสนานเนี่ย แม้ได้สละความสุขเหล่านั้นออกบวชอยู่ในป่าทีนี้พอได้ยินเสียงดนตรีได้ยินเสียงค้องกองเสียงการละเล่นต่างๆท่านก็เกิดอกุศลวิตกเกิดกามาวิตกแหมคิดเรื่องความสนุกสนานเพลิดเพลิน เ, เกิดพยาบาทวิตกนึกด่าตัวเองเลยนะว่าโอ้เรานี่เร็วจริงๆเกิดวิหิงสาวิตกบเบียดเบียนเนะี่ยแย่จริงๆคนอื่นเขาสนุกสนานเราไม่ได้ แล้วท่านถึงลำพันออกมานั้นเทวดานั้นมีจมิตเมตตาอนุควาภิกษุนั้นการที่ท่านอยู่ในที่นี้เพียงรูปเดียวนั้นเป็นที่ยินดีของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยินดีภิกษุที่อยู่ประพฤติปฏิบัติในลักษณะอย่างอยู่ปาเที่ยวบินธบาถือผ้าบางสกุลเนี่ยเป็นผู้สันโดษมากน้อยภิกษุได้ฟังคําของเทวดาแล้วก็บังเกิดความสะดใจก็คิดว่านี้แหละคืออนิสงค์ของการได้ฟังธรรม ตามการอันสมควรในที่นี้ผู้แสดงธรรมที่ให้สติแก่ภิกษุก็คือเทวดาอันนี้เทวดาแสดงธรรมนะเนี่ยคํากล่าวลักษณะอย่างเงี้ยเป็นพระธรรมแล้วะการเก็บคําสอนไม่ยากแล้วทั้งนั้นเห่นไหมถ้าเราได้ยินใครกล่าวคําสอนหนึ่งคำเนี่ยถือว่าเราเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยจะเป็นเด็กๆ ก, ก็นี่เป็นนี้ในปฐมสุกกาสูตรในยักษะสังยุตในสังยุตานิกายเนี่ยไปดูกลุ่ม พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วิหารเวรวัรณใกล้กรุงราชครื้ก็ได้มีนางสุ ก, กาภิกษุณีกำลังแสดงธรรมอยู่ในถ้มกลางชุมชนในขณะนั้นก็มียักษ์อยู่ตนหนึ่งเรื่มใสนางสุ ก, กาภิกษุณีเที่ยวเป่าร้องประกาศไปตามตรอกน้อยใหญ่และถนนสี่แพ่งว่ามนุษย์ทั้งหลายในกรุงราชครื้นทอะไรกันอยู่จึงเป็นอนหลับว่าดื่มน้าหวาน แต่แก่น้ำหวานที่มีกลิ่นหอมชนิดหนึ่งที่ดื่มไปแล้วทําให้ยกศรีรษะไม่ขึ้นดื่มเหล้านั้นยักษ์กล่าวหมายเอาน้ําหวานชนิดเนี้ยยักษ์ก็กล่าวต่อไปว่ามนุษย์เหล่านั้นไม่เข้าไปใกล้านางสุ ก, กาภิกษุณีซึ่งกําลังแสดงธรรมอันเมตตายอยู่บทแห่งธรรมที่นางภิกษุณีกล่าวอยู่นั้นเป็นบทธรรมะที่ไม่ควรนําออกเป็นบทธรรมอันบริสุทธิ์มีโอชาผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมดื่มธรรมะนั้นเหมือนคนเดินทาง ดื่มน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วฉะนั้นยักษ์เป็นโคศก เ, <c oughs> เวลาแสดง <c oughs> ยักษ์ยักษ์ไปปล่าระกาศมันมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาออกข่าวแปลกจริงๆแกเวลามีเงินมีทองเนี่ยแกก็แกมีรถอยู่คันหนึ่งแกก็ติดเครื่องขยายเสียง <onse> พอถึงวันพระวันอะไรเนี่ยแกก็ประกาศไปเลยเาท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระให้สมาทานสี่ห้ากันนะอะไรเนี่ยแกทําอย่างนี้มาเนี่ยสิบกว่าปียี่สิบกว่าปี แกบอกถ้าไม่ได้ทําเนี่ยแกมันเหมือนแกงดหงิดแกแกก็เที่ยวประกาศไปนั่นแหละติดไม้เหมือนขายของไปตามหมู่บ้านต่างๆแกไม่ได้ได้เงินได้ทองอะไรหรอกแกไม่ได้ได้เงินได้ทองอะไรหรอกก็ดีเหมือนกันนะใครมีรถลงไปทำกันก็นดีก็ประกาศไปนั่นแกนเนี่ยไม่ได้ขายของหรอกติดป้ายด้วยให้รักษาศีลให้ฟังทำให้ปฏิบัติทำมากกันอย่าพูดเทเ็จอะไรก็ว่างแกไปขับรถด้วยพูดไม้ไปด้วยพูดอ้าวๆ้าไป แล้วมีอาแขก็บอกว่าเวลาเงินเดือนเงินอะไรออกมาหมดไปกับเรื่องนี้แกไม่ทําอะไรหรอก อ, อกแกมีเงินก็ไปกับเขาไปนู่นแหละ ไ, ไปทุกวันขับรถจะมีป้ายมีอะไรติดเขียนออกเงินไปซื้อผ้าป้ายเปลี่ยนมาเทศการงดเหล้าเข่าภารษาเทศการเลยเขียนไงว่เออแกทำก็แบบได้บุญนั่นนะไม่ใช่ไม่ได้นะ ถึงจะทำเพีย้ยนหรือเป็นเพียรอะไรเงก็แต่ได้บุญนะเนี่ยมันเหมือนยักเนี่ยยากที่โฆษณาให้มาฟังทำเอาบ้างที่ลองดูนี่แเออเปลกมากออแล้วก็ให้คนเขาก็ไปถามคนในตลาดนั้นเขาก็บอกว่าแกมาเขาแกประจำํำคนแล้วก็ถามว่าอคุณลาคาญกันบ้างไหมเนี่ย <c oughs> เขาบอกเออก็ดีเหมือนกันเขาบอกเออถ้าแกก็มาเตือนบ้าบางทีไม่รู้เลยวันนี้วันพรากว่างัง้น ก็ใส่แต่ลงนี่แหละแกแกมาโฆษณาเตือนเอแปลกมากแล้วถ้าแกไม่ได้ทำแกอยู่บ้านเฉยๆแกป่วยเอาดิถ้าทํางี้ไม่แกไม่ปวดแม่ทาสบายใจเงินท้องหมดหมดไปกับเรื่องแบบเนี้ยแล้วแกประหยัดเรื่องอื่นแต่เรื่องนี้แกไม่ประหยัดล้นละลงป้าแล้วเขาก็ไปที่บ้านแกตอนนี้ยป้ายเต็มหมดเลยมีป้ายทุกชนิดเขียนซุกซุกซุกเขาไว้เต็มหมดเลย อถึงเทศกาลอะไรแกก็เอาป้ายนั้นมาติดเอาป้ายนั้นมาติดแล้วก็ขับรถปยอะไรนี okay. ตอนนี้ยังทําอยู่หรือเปล่าหรือเพราะน้ามันแพงเนี่ยไม่รู้เนะีไม่ได้ไม่ได้สอบตามเออเขาไม่ทราบมันลืมลืมที่ซะแล้วอืลืมที่ซะแล้วลแก okay. จะเป็นแบบนี้น <c oughs> นนบทธรรมที่นางพิกษุณีท่านแสดงเป็นบทธรรมที่ไม่ควรนําออกไปนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าธรรมดาเนี่ย อาหารเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยควรนําออกหรือไม่ควรน้าออกอาหารเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยควรนําออกไหมถ้าให้ออกตายใช่ไหมถ้ากินเข้าไปควรนําออกฉะนั้นถึงจะอเรเฉดอร่อยสักปานใดเนะสมมตินะไปกินอาหารมื้อละหมื่นอย่างนี้เขากินกันมื้อหลายหมื่นก็มีเนี่ยกินก็ปุ๊บเนี่ยอร่อยขนาดนั้นเนี่ยเก็บได้ถึงเดือนไหม <c oughs> ย่าวาเดือนเลย <c oughs> อดี๋ววันเดี๋ยวต้องเรียบวิ่งแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วอย่างนี้ก็เรียกควรนำออกแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ควรนาออกไม่ควรนำออกแต่อาหารเนี่ยเรากินกินไปก็เบื่อใช่ไหมเบื่อแต่ธรรมะไม่ได้เป็นอย่างนั้นถึงฟังธรรมะอยู่ร้อยปีพันปีก็ไม่เบื่อไม่ควรจะนำออกไปไม่ควรนำออกจากกระแสจิตนี่มันมันต่างกันอย่างนี้ นั้นอาหารจะดีแสนดีขนาดไหนกินได้ไม่กี่มือลองรีบเอาออกแล้วไม่ไหวแล้วถือเอาไว้เป็นพิษเลยแต่ธรรมะเนี่ยเอาไวเ้เถอะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเอาไวเ้เอะจะยิ่งเป็นประโยชน์ด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ารถแห่งพระธรรมชนะรถทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีในทั้งปวงอรรถแห่งพระธรรมเนี่ยนะรรถแห่งพระธรรมเนี่ย บอกว่ารถที่เกิดจากใบรถที่เกิดจากเงารถที่เกิดจากลากรถที่เกิดจากลําต้นรถที่เกิดจากไอ้เมล็ดอะไรก็ไล้ที่เราเกีนยงเงี้ยถ้าเรายินดีพอใจยังสัตว์ให้ติดอยู่ในสังสารวัฏให้จมอยู่ในชาติทุกขชราทุกมรณะทุก์ทั้งนั้นนลยแต่รถของโพธิปักจญยธรรมอยู่ไหมรถของสติปฐานสี่สัมมาปทานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอาริยมรรตมีองค์แปด รถเหล่านี้เมื่อเราไปยินไปไปดื่มดามรถเหล่านี้แล้วเนี่ยไม่ทำให้เราจมในสังสารวัฏออกจากสังสารวัฏได้ด้วยรถพระธรรมเนี่ยชนะรถทั้งปวงเป็นแบบนี้นะทีนี้ความยินดีในธรรมก็ชนะความยินดีทั้งปวงยินดีในบุตรยินดีในหลานยินดีในญาติมิตรยินดีในทรัพย์ยินดีในการงานเนี่ยยินดีไปก็ยังสัตย์ให้จมในสังสารวัฏเนี่ ลองยินดีมากๆถอนออกไม่ได้ใจก็ห่วงกังวลอยู่นั่นแหละนี่พอถอนความรู้สึกออกไม่ได้ใช่ไหมนี่ก็เรียกความยินดีแต่ถ้าความยินดีในธรรมะยินดีในโลกุตตรธรรมเนี่ยโอ้โหเป็นปัจจัยแก่การออกจากสังสารวัฏนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นการฟังธรรมเป็นสิ่งที่จะเป็นปัจจัยแห่งการที่จะ พระพุทธเจ้าตรัสว่ารสแห่งพระธรรมชนะรสทั้งปวงเป็นต้นความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงผู้มีปัญญาย่อมจะดื่มรสแห่งพระธรรมได้โดยไม่อิ่มเหมือนคนเดินทางมาเหนื่อยแล้วได้ดื่มน้ำฝนก็ชื่นใจฉะนั้นนี่เป็นอย่า ง, งนะนี้เนี่ยนิประการต่อมาก็คือว่าการกระทาดังที่ได้กล่าวบอกว่าไอ้วัตตะเนี่ยมันมีสามส่วนนะเหต่มาสัง วัตตะเนี่ยเหติมาสังสาระวัตตะก็ดีสังสารวัฏก็ดีมันมีเเหติมาสังสาระมาชิมาสังสาระและอุปริมาสังสาระเหติมาสังสาระก็คือว่าการติดอยู่ในอวัยภูมิการไปเกิดเป็นเปรตแะสุรกายสัตว์เลี้ยฉันสันนรกมาชิมาสังสาระการเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาอุปริมาสังสาระคือการเกิดเป็นพรหมนี่นอันนี้คือวัตตะ เราก็ยิ่งต้องตายมากเท่านั้นก็ว่างั้นยิ่งอยู่ในวัตฏานานเท่าไหร่ก็ยิ่งตายมากเท่านั้นสมมุติว่าเออเราเนี่ยอยู่มันอย่างเงี้ยว่างั้นนะไม่คิดที่จะออกจากวัฏฏเนี่ยนะโหตายเมื่อวานก็เข้าสารคดีไม่ให้ดูสารคดีที่เขาฆ่าเป็ดฆ่าไก่เขาไปถนะ่ายในโรงฆ่าสัตว์เลยนะมีพระร่วมท่านดูโหดูไม่ได้ท่านจะอวกก้วกว่างั้นเดินเอาใช้มีดตัดบองเชือดคอบังอะไรเนี่ยนะ มันก็ดิด้ดมันนึกถึงโอ้โหแล้วเราก็ยังไม่พ้นจากการไปเกิดเป็นสัตว์เหล่านี้อ่ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เหล่านี้ยเขาไม่บูชาเราแน่ใช่ไหมเขาไม่บูชาแน่นอนโอ้โหมีอะไรไม่รู้เชือดคออ้วกไกวแต่ละทีขาดเลยเ อ, อือนนิดเดียวจะขาดเนะืเลือดพุ่งอย่างกระน้ําพุ่งอย่างแรงเขาห้อยห้อยขาขึ้นเนะื้ห้อยโอควายขึ้นเนะื้อห้อยขาขึ้นเนะื้แล้วก็มีตัด พรหลอดลมเลยเลือดกระพุ่งออกเต็มที่เลยร้องสุดเสียงเช็ดค อ, ดคอเลยเอย่างเป็นเป็นอย่างเนี้ ย, ยนั่นแหละเันที่เอคอนทบเลยเนะ่ะปึกเข้าไปเนี่ยชักดิ้นป๊บๆอะวรบอกโอโ้โหเรายังไม่พ้นนะทํำไงถ้าเรายังปิดอบัยภูมิไม่ได้เนี่ยโดนทบแน่ๆ น, นี่เป็นอย่างนี้อีกสูตรหนึ่งนะ เ, เล่าเรื่องพระธรรม น, ะนี่เคยเล่าไปแล้ว อัมร่าอีกครั้งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วิหารเชตวันกรุงราชกรุงสาวัตถีแล้ที่สาวัตถีเนี่ยอตอนสมัยที่ไปอยู่ตอนนั้ น, นโอ้มันหน้าหนาวหน้าหนาวจริงดนะไแ้อตอนเราไปกันหนาวไหมหนาวแบบมองไม่เห็นกันเลยเนี่ยหนาวแบบหมอกลงเลยตอนที่ไปหนาวติแบบติดลบมอ่ะตอนนั้นสุขภาพดีก็แหมรู้สึกไม่ค่อยกลัวเลยยังไปหิ้วน้ําถวายพระเทรได้วยเนี่ย แข็งแรงตอนนั้นอุปตากพะเตะ่าอยู่สองลูปมรณะผ้าไปองค์หนึ่งอีกองคหนึ่งยังอยู่ในเมืองเทมก็คื อ, อท่านหนาวมากนะต้องใส่ถุงนอนให้ท่านเนะี่ยตอนนอนเนี่ยเอาถุงนอนมาจัดใส่แล้วก็คอยแล้วก็ไปหิ้วน้ําแล้วเอาน้ํามาต้มหิ้วน้ำมาต้มนะเอ อ, เอาน้ําต้มมาไปะหิ้วเขาต้มไว้แล้วที่ว่าทางวัดก็ต้มไว้แล้วไงเราก็ไปเอาน้ําต้มมาแล้วก็เอามา ให้ให้ท่านส่งน้ำโอ้หหนาวริงหน้าที่พอหน้าหนาวหนามากเลยนี่ก็ลองไปไปพิจารณาดูนะว่าลองใช้ผ้าสองชั้นดูใช้สังคติมหม่มอย่างที่ในคําสอนเนะี่ยเออพอทนไหวเองแต่ต้องร่างกายดีๆเนี่ยพอทนไหวพระพุทธเจ้าบอกว่าชั้นเดียวหนาวเกินไปไงก็เลยทรงอนุญาตสังคติก็ใช้สังคติมหม่มซับเออพอทนไหว แต่น่าหนาหน่อยเพิ่มพอไหวแต่แต่อย่าออกเดินนะออกเดินไม่ค่อยดีต้องนั่งอยู่ที่หนาวหนาวจริงแล้วเวลาพูดออกมาเนี่ยควันวิ่งออกจากปากเต็มไปหมดเลยในสมัยก่อนอยู่ที่บ้านอยู่กับอากาศหนาวอยู่แล้วไงภาคเหนือหนาวอยู่แล้วเวลาพูดเนี่ยควันก็ออกอจากปากตลอดแต่มาปัจจุบันไม่เคยหนาวถึงขนาดนั้นเทีหายไปหมดแลยอากาศแบบนั้น แต่ก่อน้นําค้างมันจะลงเลยบนยอดเขาบนไรเต้บนบนทุ่งละนาอนะไรเงี้ยเนี้ยพอไปอยู่อย่างนั้นก็ก็ดีอากาศดีที่วัดเชตาวันเนี่ยก็ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับนิพานให้ใครพิสูจน์ทั้งหลายฟังคือพระพุทธเจ้าแสดงนะแสดงเกี่ยวเรื่องพระนิพานนิพานห น, น, น, น, นึ่งนะนิพานสองนิพานสามเนี่ยนิพานสักสองกัสากุปาทิเสสนิพานกับอนุปาทิเสสนิพานนิพานที่ สาวปาที่เสสานิพานกับนิพานของพระละหันที่ยังมีชีวิตอยู่เส่วนอนุปาที่เสสานิพานก็คือเป็นนิพานที่ดับขันไม่มีชีวิตเหลืออยู่เป็นต้นแล้วก็อ น, นิมิตตานิพานอัปะนี่ตานิพานแล้วก็สุญญาตานิพานเป็นต้นในขณะที่พระองค์ทรงแสดงเรื่องพระนิพานให้ภิกษุทั้งหลายฟังภิกษุเหล่านั้นก็ฟังธรรมะนั้นโดยเคารุความเคารพขณะนั้นยักษินีตัวหนึ่ง ตนหนึ่งนะยากหนี่งก็เรียกตนตนก็คือคนน่ยนะเป็นมารดาของปุณณะพสุได้บอกแก่ปุณณะพสุว่าเจ้าจงนิ่งเจ้าจงอยู่นิ่งนิ่งขอให้แม่ได้ฟังพระธรรมของพระผู้มีพระภาเจ้าผู้ประเสริฐเสียก่อนเวลานี้พระองค์กําลังแสดงพระนิพพานอันเป็นเครื่องปลดเปลื้องออกจากเครื่องกาะเกี่ยวทั้งปวงจริงๆพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมะที่ ดเปลืองจากเครื่องเก่อเกี่ยวหนึ่งคือพบเนี่ยใครจะติดอยู่ในพบขนาดไหนถ้าได้สัมผัสพระนิพพานแล้วหลุดหมดละตัณหาที่ฉาพบอยู่เนี่ยขาดสะบั้นหมดเลยนี่เป็นอย่างนี้แล้วนางก็บอกว่าแม่รักธรรมมากคือแม่รักพระธรรมมากลูกก็เป็นที่รักสามีก็เป็นที่รักแต่การปฏิบัติตามธรรมเป็นที่รักของแม่ยิ่งกว่านั้น พราะลูกและสามีอันเป็นที่รักไม่อาจทําให้พ้นทุกได้สามีและลูกเป็นต้นเนี่ยไม่สามารถทําให้พ้นทุกได้คือไม่สามารถจะทําให้พ้นจากชาติทุกข์ชราทุกมรณะทุกขเป็นต้นได้แต่การฟังพระสัต ธ, ธรรมย่อมทําให้บุคคลนั้นพ้นจากทุกได้พระสัตธรรมใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพื่อช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากชรามรณะในโลกแม่อยากจะฟังพระธรรมนั้นปูนับพระสุเอย๋ย ลูกจงนิ่งเสียนี่ยักษ์ปลอบลูกปุนาพสุและลูกน้อยของนางักคินีตนนั้นได้กล่าวว่าแม่จา่าลูกลูกไม่ร้องไห้แล้วไม่ใช่แต่ลูกเท่านั้นที่จะไม่ร้องไห้แม้อุตราน้องสาวของลูกก็จักไม่ร้องไห้แหมบอกง่ายเกินนะอย่างนี้ถ้ามีลูกบอกง่ายๆอย่างนี้คนนี่รักตายเลยเนะี่ยขนาดเป็นยักษ์นะ ลูกยักษ์นี่นะบอกง่ายมากขอให้แม่ตั้งใจฟังพระสัทธรรมตามสบายเถิดเพราะเหตุที่เราไม่รู้จักพระสัทธรรมเราจึงได้ลำบากเช่นนี้โอ้โหการเกิดเป็นกำเนิดปีศาจกำเนิดยักษ์นี่ลำบากมากเที่ยวหายกินของไม่สะอาดนะพระพุทธเจ้าผู้ยังแสงสว่างให้เกิดแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกาลังแสดงธรรมอยู่ยักษินีผู้มารดาจึงกล่าวว่าลูกที่เกิดในอก ซึ่งเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญานั่นแหละเป็นลูกที่ดีลูกของเราจักรักพระธรรมมันบริสุทธิ์ของพระผู้มีภาคเจ้าปุณณพระสุเอ๋ยเจ้าจงมีความสุขว่า ง, งันวันนี้แม่กับเจ้าได้เห็นอริยสัจ ท, ทั้งหลายแล้วฟังแค่นี้ได้บรรลุแล้วได้บรรลุเขาสบายกันไปแล้วทั้งแม่และลูกได้บรรลุแล้วเหลือพวกเรานี่จะต้องรีบรับเห็นไหมว่าเป็นยักษ์เนี่ยยักษ์ที่เทวดาชั้นต่ำสุดเลยนะเนี่ย กินอาหารอย่างธรรมนุษย์เนี่ยนี่ยักษ์นี่ลาบากกว่ามนุษย์ยักษ์กลุ่มนี้แต่บางกลุ่มมาดีกว่ามนุษย์กนแปลกอยู่ทั้งนันถ้ากลุ่มของเหมาวัตยักษ์กับสาต า, ากิริยักษ์เนี่ยโอ้โกลุ่มนี้เหาะเลยกลุ่มนี้เป็นพวกยักษ์คราชาเป็นราชาของยักษ์นั้นเอย่างเทาวเวสวันเนี้ยโอ้โหนี่เป็นหัวหน้ายักษ์เลยเนี่ยนี่เป็นหัวหน้าเลยเนี่ยเวลาฟังเบ็ดเสร็จแล้วก็ได้บรรลุอริยสัจสอันนี้เป็นเทวดานะ เทวดาชั้นต่ำในจาตุมหาราชิกาในมหาสมัยสูตรในทีคณิกายมหาวัคคูท้าเจ้าทรงสแสดงชื่อของเทวดาประเภทต่างๆที่มาประชุมหรือชุมนุมกันที่ป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัทในชื่อของเทวดาเหล่านั้นก็มียักษ์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นยักษ์ไม่ใช่ยักษ์ในอบายนะแต่เป็นยักษ์ในสุขติภูมิสามารถบรรลุอริยรรสัจสีได้บรรลุอริยธรรมไนดะ้ในบยภูิก็มีอเหมือนกัน พระเจ้าพิมพิสารตายไปก็ไปเกิดเป็นยักษ์เนี่ยเป็นพระยาบุคคลนะซิ้นพระชนแล้วก็ไปเกิดเป็นชนะวสภายักษ์ในชั้นจาตัวหาราชิกาเอพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยตอนนี้อยู่ชั้นใกล้ๆเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆพวกเราเนี่ยแต่ท่านเป็นพระยาบุคคลนียท่านจะไปชั้นอื่นเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ในชั้นจาตัวหาราชิกาน่าจะมาแสดงธรรมให้ฟังบ้างเนี่ยโอ้น่าจะไเพลาะมากเป็นพระยาบุคคล นี่เขาเช่ในในสูตรนี้เราฟังแล้วเนี่ยก็จะสามารถคือแสดงเรื่องนิพพานแสดงให้เห็นว่าพุทธเจ้าแสดงนิโรธาสัจจะเมื่อแสดงนิโรธาสัจจานั้นพระองค์ก็ต้องแสดงมรรคสัจจา ย, ยู่แล้วเพราะมรรคสัจจานั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วตัวมรรคสัจจาก็ยักษ์และลูกยักษ์ก็ได้บรรลุมีเป็นอย่างนี้เออในพระหุที่ตีสูตรที่สิบในพระมณะสั่งยุทธนนเนี่ย มีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งในแขว้นโคศลในสมัยนั้นก็มีโคงานอยู่สิบสี่ตัวเข้าใจคําว่าโคงานไหมโคงานนี่ก็คือโคเขาไว้ทํางานเขาเรียกโคงานโคงานของพราหมณ์ภาระทวาชาาัโคดหายพราหมณ์เนี่ยโคหายแต่พราหมณ์นี่ก็ติดตามโคไปไปในป่าก็ไปเจอพระพุทธเจ้าประทับนั่งผูว้วรกายตรงจำลองสติไว้เฉพานะน่ะ แล้วก็เลยเข้าไปเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าแล้วก็เลยบอกว่าจำมะนี้คงไม่มีโค้งงานสิบสี่ตัว แ, ตแกคิดแกงเนี้ยนะคือเวลาไปเห็นพระพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยอตนเองก็กําลังเดือดร้อนใจอยู่ใช่ไหมแต่เห็นพระพุทธเจ้านั่งสงบนิ่งหน้าตาผ่องใสดํารงสติไว้เฉพาะหน้าอยู่เฉพาะหน้าอยู่อย่างนั้นมีความสุขอะนั่งแบบคนเ อ, อิบอิ่มแปลกดิจังไนงะไอ้การเจริญกรรมาฐานนะเนี่ยคนเจริญแล้วเ อ, อิบอิ่ม ไม่ใช่นั่งหลับเนะ่ถ้านั่งหลับนี่มันเ อ, อิบอิ่มเหมืถ้านั่งหลับนี่หน้าตาจะขุ่นมัวใช่ไหมแต่คนนั่งกรรมฐานเนี่ยหน้าตาจะเ อ, อิบอิ่มพองใสอยู่งันเน่ยนี่เป็นนี่เหมือนกันแต่พรามณ์นี่็ไป ก, ก็คิดว่าโอ้เนี่ยสัมมนี้คงไม่มีโคงานสิบสี่ตัวซึ่งหายไปตั้งหกสิบวันเป็นแน่สมนัมมนา t h i จึงมีความสุขว่าโคก็หายไปให้หกสิบวันแล้วสองเดือนแล้วหาไม่เจอแค ห, หาไงก็ไม่เจอ ประการที่สองก็สมานานี้คงไม่มีเมล็ดงานในไร่ซึ่งมีใบเดียวและสองใบเป็นแน่สมานานี้จึงมีความสุขใช่ไหมแล้วประการต่อมาคือสมานานี้คงไม่มีหนูอยู่ในยุ่งข้าวเป็นแน่สมานานี้จึงมีความสุขก็คือมียุ้งฉางเก็บไว้หนูเข้าไปกินใช่ไหมแล้วก็บอกสมานานี้คงไม่มีเครื่องปูพื้น ที่ปูประจาอยู่ตลอดเจ็ดเดือนเกลื่อนไปด้วยขนสัตว์เล็กๆเป็นแน่สมณะนี้จึงมีความสุขที่ปูนอนก็คงบอกสมณะนี้คงไม่มีบุตรคงไม่มีภรรยาไม่มีทิดาแม้สักคนเดียวหรือสองคนเป็นแน่สมณะนี้จึงมีความสุ ข, นนส ข, ขพรามนี้ไปก็ไปนั่งดับบลียอย่างเงี้ยนะพูดออกมาด้วยนะแล้วก็บอกสมณะนี้คงไม่มีรอยถูกเคี่ยนตีเออไม่มีรอยถูกเคี่ยนตีเลยอะ่ะ คงไม่มีผู้ปลกด้วยเท้าเป็นแน่สัมมาณี้จึงมีความสุขคงคงไม่มีใครเอาเท้าไปแย่โอ้ยโรคโรคโเดีอยคงไม่มีอ่ะไม่มีแพทยนั้นนะว่างนั้นจึงมีความสุขอ่ะทําไมเป็นคารวะเนี่ยเคยโด น, ดนโดนเอาเท้าปลุกเนยเคยไหมเคยตอนเด็กๆเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยผู้ใหญ่ตีนเขียวเคยบ้างไหมทำไมจะไม่เคยแล้วนอนทิบไปลึกมาสมมานี้คงไม่มีเจ้าหนี่มาทวงแต่เช้า ว่าจงคืนให้เราเป็นแน่สมณะนี้จึงจึงมีความสุขทีนี้นพระพุทธเจ้าก็สดับคําของพราหมณ์นั้นแล้วก็รับรองว่าเป็นความจริงเรับรองพราหมณ์ทุกคําเออจริงที่พราหมณ์พูดจริงหมดแล้วอย่งนั้นเนี่ยพระองค์บอกว่าไม่มีโคร ง, งานสิบสี่ตัวที่หายไปหกสิบวันไม่มีเมล็ดงานในไร่ไม่มีหนูในยุ่งข้าวเปล่าไม่มีที่นอนที่ปูเป็นประจำเจ็ดเดือนเปลื่อนไปด้วยสัตว์เล็กๆ ไม่มีบุตรภรรยาที่ดาแม้แต่คนเดียวหรือสองคนไม่มีรอยถูกเคี่ยนตีไม่มีผู้ปุกด้วยเท้าเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงมีความสุขไอพราหมณ์ภาลทวาชัดได้ฟังแล้วก็เลื่อมใสแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้แสดงธรรมบอกว่าเปรียบเสมือนไอบุคคลไอหงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางเป็นต้นเหล่านั้นเน่ พระ อ, องค์ก็ประกาศธรรมะโดยปริยายไม่ใช่น้อยเมื่อพราหมณ์ได้ได้อุปสมบทแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระานทีน่นี้เรื่องที่เล่าก็คือว่าขยายความก็คือว่าอัตถกถาท่านเพิ่มเติมบอกว่พาพราหมณ์ผู้นี้เป็นทุกข์ที่แกพูดอย่างนี้เพราะโคแกเนี่ยหายสิบสี่ตัวหายมาหาไงก็ไม่เย็นแกเป็นทุกข์เดือดร้อนมากแกก็เลยไปเปรียบเทียบโอ้โหอยู่อย่างพระพุทธเจ้าไม่เป็นทุกข์นี่มีทรัพย์มาก แล้วก็เป็นทุกข์เพราะเมล็ดงาในไร่ที่งอกขึ้นมาก็ถูกสัตว์กัดกินเสียตั้งแต่แตกใบสองใบเท่านะั้นเป็นทุกข์เพราะความยากจนไงพอไปปลูกเมล็ดงาออกมาใช่ไหมพอมันจะออกใบหน่อยเอา้สาสัตว์กินนไงแมลงลงซะอีกแล้วเพี้ยงลงอะ่ะไปปลูกที่เรเพี้ยงก็มาลงเนี่ยเนี่นี่ก็เป็นทุกข์อีกอย่างก็คือยุ้งข้าวก็ว่างเปล่าไม่มีข้าวจะเก็บทั้งยังเป็นที่อาศัยของหนูอีกด้วยคือเอาข้าวไปเก็บไว้หนูมันลงกินหมด เป็นทุกข์อีกแล้วแล้วก็เป็นทุกข์ว่าเครื่องปูพื้นไว้เป็นประจำเป็นที่อาศัยที่ทําด้วยหญ้าและใบไม้เป็นต้นนั้นไม่มีใครดูเลยสัตว์เล็กๆ ก, ก็เข้าไปอาศัยเต็มไปหมดแกก็เป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าพามเป็นทุกข์เพราะว่าเขายากพ อ, อยากจนแล้วภรรยาก็ทิ้งทิ้งกลับไปบ้านเดิมด้วยประการต่อมาคือเขาเป็นทุกข์เพราะนอนไม่หลับไอ้ถูกสัตว์เล็กๆ ก, ก, กัดกินอยู่ตลอด แต่คันพอจะหลับจนจะรุ่งเจ้านี่ก็มาปลุกอีกแล้วมาปลุกด้วยเท้าอีกแล้ว เ, เท้ามาเ <c oughs> ขาว่ากนนี่ย <c oughs> โอ้โหเป็นทุกข์เลยเนี่ยทุกข์รักสนัง่งต่อมาเลยมาบวชเลยอยากจะมีความสุขเออถ้าใครอยากจะสุขก็ทิ้งให้หมดในนี้ดีเหมือนกันเนยเอออะไรเนี่ยดูพราหมณ์เนี่ยเป็นตัวอย่างพอพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนั้นแล้วพรามณก็เกิดความเลื่อมใส ต่อมาได้ตามพระพุทธเจ้าไปยังพระราชวังของพระเจ้าเปรตที่โกศลเมื่อพระเจ้าเปรตที่โกศลถวายข้าวยาคูพระพุทธเจ้าก็ไม่รับตัดว่าทรงมีความกังวลใจอยู่พระเจ้าประตที่โกสนก็ทรก็ทูลว่าขอให้ขอให้ทรงรับเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระองค์จะแก้ไขความกังวลใจนั่นเองพระพุทธมีภาคเจ้าก็รับข้าวยาคูเสวยภิกษุซึ่งเคยเป็นพรามณ์นั้นก็ฉันข้าวยาคูนั่นด้วย เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จพระราชาก็ตัดถามว่าพระพุทธเจ้ากังวลใจเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าความกังวลของภิกษุแก่รูปนี้ก็เท่ากับเป็นความกังวลของพระองค์พระราชาก็ตรัสถามภิกษุรูปนั้นว่ากังวลใจเรื่องอะไรภิกษุรูปนั้นก็ถวายพระพรว่ากังวลเพราะเป็นหนี้เขา <c oughs> คือแกพระเบญบวชมันเป็นห น, น, นี้อยู่ เออพระพุทธเจ้าเนี่ยแกพอพามมาเล่าให้ฟังด้วยเล่ามาไอ้ปัญหาอื่นมันก็แก้ได้หมดแหละไอ้ปัญหาสุดท้ายนี่สิคือเป็นหนี้เขาอยู่นี่เขาห้ามเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้เป็นไอแต่ก่อนนั้นยังไม่พระเจ้ายังไม่ได้ห้ามหรอกมาบวชคนเป็นหนี้เป็นทุกข์ใช่ไหมก็ถูกตามทวงนี้เคยเป็นหนี้ไหมเคยบอกเห็นหน้าเจะหนี้เขาก็อยากจะหลบหลบพวง ยังไม่เคยเป็นหนี้ก็เลยไม่รู้พระราชาก็เลยถามแล้วก็ในที่สุดพระราชาทราบข่าวก็เลยใช้หนี้แทนให้แล้วก็ตรัสถามว่ายังมีอะไรกังวลใจอยู่อีกไหมพิกษุรุนนั้นก็ถวายพระพรว่ายังกังวลใจด้วยทิดาของท่านอีกเจ็ดคนพระราชาก็ปวดเทลับิดาของพระองค์ขันตรัสถามว่ายังมีกังวลใจอีกหรือไม่ถวายพระพรว่ากังวลใจคือนางพรามมณีผู้เป็นภรรยาเนี่ย ภรรยาไอ้พระาพราชาก็ได้ทรงรับนางพระมณีมาตั้งไว้ในฐานะพระอายิกาของพระองค์ครั้งพระราชาถามว่ามีอะไรกังวลอีกไหมก็ถวายพ่าพอเราไม่มีแล้วเดี๋ยวแ่วงอีกวงภรรยาวงลูกเจ็ดคนแล้วก็เป็นหนี้เป็นหนี้ก็พระราชารับรับเลี้ยงนะไม่บรร่ะนะพอเป็นหนี้แล้วไม่บรรลุเป็นตัดเครื่องกังวลให้หมดเลยนะ ให้มีเครื่องกังวลใดๆนะเดี๋ยวตัดเครื่องกังวลได้หมดเนละแล้วต่อมาพระราชาก็จัดแจงจีวรและอาหารทุกวันแก่ภิกษุรูปนี้ิกษต่อมาภิกษุรูปนี้ก็ได้บําเพ็ญ น, นะพ้นจากเครื่องกังวลแล้วก็บรรลุเป็นพระทหารท่านะสิ่งใดที่เราเยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นความกังวลอันนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยพระ อ, องค์รู้นะถ้าตราบใดเนี่ยนะถ้าไม่ได้จัดแจงให้ภิกษุเหล่านี้หมดจากกังวลก็ปฏิบัติไม่ได้บรรลุ พระเจ้าจัด ก, การให้เลยเห็นไหมนี่แหละคือคือพระมหากรุณาธิคุณของบุบรมศาสตรถ้าเกิดในยกนี้คนเป็นหนี้ไปหาพระเจ้านี่พระเจ้าต้องดูด้วยนะจะบรรลุหรือเปล่าถ้าไม่บรร ล, ลนุน <laughs> ี่ไม่ไม่ไม่หาอบายใช่อหมขนาดแปลนะพระมาะ เ, เศษเส็จเนี่ยลองสังเกต ด, ดูไหมว่าพระพระเจ้าเปอร์เซนที่ก่สนเอาอาหารมาถวายไม่ฉันดังนั้นเนี่ย <laughs> ไม่หรอกคือต้องการจะอนุเคราะห์พระอนุเคราะห์พระ น, ะนั่นเอง ก็บอกว่าท่านกังวลใจไอ้พระเจ้าพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่ก็บอกว่าให้ฉันพระทหารก่อนจะจัดการให้พระเจ้าฉันอาหารเสร็จเส็จก็ถามบอกว่าจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชพระพุทธเจ้ากังวลใจเขาบอกสาวกนี่พระเจ้าพระเจ้าประเซนต์ที่ก็อนุเคราะห์หมดเลย <c oughs> ไอ้พรามณ์ก็เข้าใจพูดด้วยเนี่ยครั้งแรกเรื่องนี้ก่อนอยู่ไหมนึกว่าจะหมดแล้วข้อที่สอง่ะโลกอีกเจ็ด <c oughs> นึกว่าจะหมดแล้วข้อสามมภรรยาลเลยเดี๋ยนี้ใ น, ในยุคนี้ไม่มีไม่มีไม่มีคนรับภรรยขนาดนี้แต่ดีเราไม่มีภรรยาไม่มีภรรยเนี่ยลกักษณะการฟังนะเออประการต่อมาเนี่ยในอังคตระนิกายปัญจากตินิบาตในสัตทธรรมในสัตทธรรมสัมโมสัจ ส, สูตรที่หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสแสดงแก่ภิกษุ ท, ทั้งหลายอะธรรมห้าประการเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งพระสัทธรรม 5ประการก็คือว่า 1. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไม่ฟังธรรมโดยเคารพภิกษุนีรวมถึงภิกษุนีบาโกบาสิกาโด้ยเยสไม่เล่าเรียนธรรมะโดยเคารพสไม่ทรงจำธรรมะโดยเคารพ 4. ไม่ไข่ครวนอัดแห่งธรรมที่ทรงจำไว้โดยเคารพ 5. รู้อัดแห่งรู้อัดรู้ธรรมแล้วก็ไม่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมโดยเคารพคำว่าพระสัตธรรมนี้ก็หมายเอาพระสัตธรรมสามนี คือพระปริยัติสัศธรรมพระปฏิบัติสัศธรรมแล้วก็ปฏิเวทศธรรมปริยัติศธรรมก็หมายเอาคําสอนของพระสัสดาที่มีองค์9ที่เรียกว่านวังคะสัตวศาสตร์คือพระไตรปิฎกนั่นแหละพระวินัยยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกอันนั้นเขาเรียกว่าปิฎกสนิกาย5ก็ทีแค่นิกายมัชชิมนิกาย อังคุตระนิกายสังยุตตนิกายแล้วก็ขุทักกาิกายนิงนิกา ย, กายาองค้าก็คือสุตตะเคยย่าเวยาการณะค า, าถาอุทานอิติวุฒกาชาตกะอภุต ธ, ธรรมเวทัละก็ได้แก่พระวินยัยพระสูตรและพระวิธรรมหรือพระไตรปิฎกนั่นแหละอย่างนั้นเขาเรียกว่าปริยัติสัจธรรมการเล่าเรียนก็คือเอาคําสอนเหล่านี้ามาสาธยายมาท่องบทอะไอย่างที่เราศึกษากันอยู่นี่เขาเรียกว่าเรียนพระสัจธรรมเรียนในส่วนของ ปริยัสัตธรรมส่วนปฏิปัสสัตธรรมได้แก่โพธิปักขีย์ธรรมเนีสติปฐาน 4, สี่สมมติฐานสี่อิทิบาทสี่อินสีห้าพละห้าโพชฌงเจดอเรียร ม, มักมีองแปดอันนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติสัตธรรมถ้าใครเอาสติปทานสีรร่เป็นต้นเอามาอบรมเอามาเจริญเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากําลังปฏิบัติถ้ามาเรียนก็เป็นปริยัสัตธรรม เอามาใข้ครวัวเอามาตรึกเอามาพิจารณานี่เป็นปฏิบัตินะส่วนปฏิเวทศาสัทธรรมก็ได้แก่โลกุตละธรรม9ม้ามรกสี่ผลสี่แล้วกนิพานหนึ่งทีนี้ในแรกในพระสูตรนี้นะพระพุทธเจ้าแสดงว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไม่ฟังธรรมะโดยเคารพไม่ได้ทรงหมายเอาเฉพาะภิกษุเท่านั้นดังที่ได้กล่าวภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาด้วย ถ้าบริษัททั้งสี่เนี่ยไม่ตั้งใจฟังพระธรรมคือถ้าไม่ตั้งใจฟังพระปริยัติธรรมอันเป็นคําสอนของพระองค์โดยเคารพแล้วก็เป็นเหตุให้กับพระสัตธรรมนั้นเสื่อมทั้งนี้ก็เพราะอาการไม่ฟังพระธรรมโดยเคารพร น, นี้เรียกว่าไม่เงี่ยโสดลงสดับผู้ฟังก็ย่อมเก็บเอาใจความที่ฟังนั้นได้ไม่หมดหรือเก็บได้ไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้เกิดการตกขาดตกบกพร่องนะนะตกหล่นนั่นเอง พระธรรมก็หายไปทีเล็กน้อยๆในที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าพระสัตธรมก็เสื่อมสูญหายไปทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าในคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าตรัสเหตุอันตรธา น, นเนี่ยนะอันตรทานก็ไว้มีถ้าถามบ อ, อกในบรรดาอันตรธรานทั้งหลายเนี่ยมีปริยัติอันตรธานเป็นต้นปฏิบัติอันตรธานปฏิเวทอันตรทานเป็นต้ น, นปริยัติอันตรทานของ สมมุติถ้าอา่าว่าศาสนาจะเสื่อมเนี่ยนะออคําสอนจะเสื่อมไปก่อนเนี่ยคําสอนนี้จะเสื่อมไปก่อนฉะนั้นไม่เราเรียนพระธรรมวินัยโดยเคารพในปัจจุบันนี้ในสก็เป็นเหตุให้กับพระศัทธรรมนั้นน่ะเสื่อม น, นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเกิดจากเหตุปัจจัยที่ไม่เรียนโดยโดยเคารพประการที่สองไม่เล่าเรียนยไม่ฟังแล้วก็ไม่เรียนการไม่เล่าเรียนไม่เล่าเรียนเนี่ย ถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้เนีว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพระองค์สั่งสมบรารมีอบรมบรารมีมาเนี่ยกว่าจะตั้งาศาสนามาได้เนี่ยโอ้โหแสนลําบากมากฉะนั้นการที่เราศึกษาพระธรรมวินัยเนี่ยอันนี้จะเป็นเหตุนึให้ให้เราให้ช่วยได้ได้อย่างมากมายนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นประการที่สามก็คือไม่ทรงจําอันนั้นพูดถึงการจําข้อความนี ส่วนประการที่สี่เมื่อฟังทำเล่าเรียนทำและทรงจําโดยเคารพแล้วหากไม่ไข่ครวนอาจแห่งธรรมที่ทรงจําโดยเคารพก็เป็นเหตุให้กับสัตว์ธรรมเรียนหายไปเช่นกันเออตรงนี้ต้องมาพิจารณาอย่างนี้ว่าถ้าเรมองดูว่าอุตสาห์ฟังธรรมเรียนธรรมทรงจําไว้อย่างดีหากไม่นำเอาธรรมะนั้นมาไข่ครวญมาพินิจพิ จ, จรารณาโดยปัญญาปัญญาก็ไม่เกิด ความเข้าใจก็ไม่มีความทราบซึ้งในธรรมะก็ไม่ได้ไม่ผิดอะไรกับทัพพีก็สมมุติน่นะนะสมมติท่านทัพโอทองอะไรได้หมดเลยทองสมมนาสสากะกาตังทิฏฐิกตะตาสัมยุญตังอาสังขาริกลางสมมนาสสากะตงังทิฏฐิกตะตาสัมยุญตังอาสังขาริกลางแต่ท่องไปอย่างนั้นนะแต่ไม่เอาคําสอนเหล่านั้นมาไข่ครวญเอามาตรึกเอามาใคร่ครวญทั้งบทต้นบทหลังอย่างนี้มันเหมือนไม่กินเนะี่ยเนี่ยเมือนอาหาร เ็ตั้งไว้อย่างนั้นหรือเหมือนท้พีเขาว่างั้นถ้าพีจุ่มเข้าไปในหม้อเนี่ยมันไม่รู้รสล่ะไม่รู้รสไม่เหมือนลิ้นเนี่ยแต่ต้องลิ้นไม่เป็นแผล น, นะเหมือนลิ้นการศึกษาคำสอนก็ในในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยการมาพิจารณาเอาเอามาพิจารณาใครควรก็จะถึงเข้าถึงอัดของธรรมะนั้นยิ่งทราบซึ้งในข้อธรรมนั้นมากเท่าไรเราก็จะทราบซึ้ง พระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มากขึ้นเมื่อทราบซึ้งแล้วก็จะเกิดศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ประพฤติแต่คุณความดีต่างๆเป็นต้นคนที่เขาประพฤติปฏิบัติดีจริงๆเพราะเขาเอามาตรึกรู้ว่าเอาคําสอนมาคิดอยู่นั่นแหละทีนี้โดยมากไม่ได้เอามาคิดนี่สิไม่เอาคําสอนมาตรึกมาคิดเอามาพิจารณาอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยมันก็ไม่เข้าสู่กระแสใจใช่ไหมเอาวางไว้ก็าวางไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็ปล่อยใจไปเรื่อยๆอย่างนี้ย อย่างนี้ลําบากแล้วนี่ต้องเอามาฟังแล้วก็มาคิดตลอด ถ, ถึงแม้ว่าถึงถึงแม้ว่าเราจะคิดช้าเนี่ยก็ไม่เป็นไรถึงจะค่อยๆ ค, คิดมันช้าก็ไม่เป็นไรข้อที่ห้าเป็นเหตุข้อสุดท้ายก็คือว่าที่จะให้พระสัธรรมรบเรือส่วนสูบไปก็คือว่ารู้อัดรู้ธทำแล้วไม่ปฏิบัติธทำตามสมควรโดยความเคารพข้อนี้หมายความว่าผู้ที่ได้ฟังเรียนและทรงจําและนํามาพิจารณาแล้วเนี่ย แต่ไม่ทำไม่นําธรรมะนั้นมาปฏิบัติโดยเฉพาะไม่เจริญโพธิปักธิยะธรรมไม่เจริญสติปัฏฐานส ม, มปัฏฐานอิทิบาทอินทรีพระละโพชงองค์มักก็เลยไม่แทงต่เลยไม่เป็นเหตุแ ห, ห่งการแทงตลอดเริยสัตวไม่บรรลุมักผลนิพพานเมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติธรรมคือโพธิปักธิยะธรรมปฏิบัติสัตธรรมก็เลือนหายเมื่อปฏิบัติสัตธรรมสูญไปแล้วเนี่ยปฏิเวทสัตธรรมคือมักผลนิพพานเนี่ย ก็หมดไปโดยปริยายเนี่ยพระสัทธรรมสามประการ น, นยคือปริยัติสัตธรรมปฏิปัติสัตธรรมแล้วก็ปฏิเวทสัตธรรมเนี่ยมันเกื้อหนุนกันในลักษณะอย่างทีนี้ถ้าหากว่าดูจากคำสอนตรงนี้แล้วเนี่ ย, ยทำให้มองเห็นว่าในแรกเหตุที่ให้พระสัทธรรมเสื่อมก็คือว่าไม่ฟังโดยเคารพ ไม่เรียนธรรมะโดยเคารพไม่ทรงจําโดยเคารพไม่พิจารณาโดยเคารพแล้วก็ไม่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมโดยเคารพเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงไว้ในสัตทธรรมโมสสูตรที่สองคือพระพุทธเจ้าแสดงแบบนี้เแบบ็แบบเสร็จแล้วก็แสดงเหตุเหตุแห่งความเจริญเนี่ยนะบอกว่าเหตุแห่งความเสื่อมอีกอย่างหนึ่งบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบอกทำห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความ เสื่อมศูนย์แห่งพระสัต ธ, ธรรมห้าประการอีกเป็นช่นไหนหนึ่งพิจุไม่เล่าเรียนธรรมะคือสกรรสอนของพระสัสดาที่มีองค์ก้าวเนี่ยสุตตะเคยย่าเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกาอพุธตะอภุธรรมเวทะละเนี่ยไม่แสดงธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาให้ผู้อื่นโดยพิสดารไม่บอกธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาโดยพิสดาร ไม่สาธยายธรรมที่ได้ฟังได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารไม่ตรึกตองไม่เพ่งดูด้วยใจตามที่ได้ฟังได้เรียนมาโดยพิสดารเออตรงนี้มาพิจรารณาอย่างนี้นะว่าถ้าปรารถนาถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระสัตธรรมเนี่ยนะเขาบอกว่ากลุ่มแรกนี่คือกลุ่มไม่เรียนเออพอไม่เรียนพระไตรปิฎกไม่เรียนอัตถกถาไม่เรียนดีกาไม่เรียนคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ย เวลาใครมาพูดเนี่ยไม่รู้หรอกแยกไม่ออกหรอกใช่ไหมว่าเออนี้เป็นคําสอนนี้ไม่ใช่คําสอนเนี่ยก็แยกไม่ออกทีนี้พอไม่รู้อีกสองอีกกลุ่มที่สองคือไม่แสดงธรรมโดยพิสดารสมมุติว่าพอไปรู้แบบย่อๆแล้วเนี่ยพอไปรู้คําสอนเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคําสอนเนี่ยจริงๆต้องกล่าวโดยพิสดารรู้ปะถ้าไม่กล่าวโดยโดยพิสดารเนี่ยมันมันเสียหาย หรือต um, um, ้องเอามาแยกแยกให้เห็นอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่บอกว่าถ้าจะกล่าวในเรื่องของกรรมเนี่ยเนี่ยเออถ้ากล่าวในเรื่องของกรรมเนี่ยบางทีเราก็มองไม่เห็นภาพใช่ั้ยถ้าอย่างที่เคยยกตัวอย่างเอออย่างนี้มองเห็นอย่างที่ว่ายกตัวอย่างบอกว่าเออมีคนคนหนึ่งเนี่ยมีคนคนหนึ่งเ่ที่บอกว่าแกในในยุคก่อนเขาก็เล่าให้ฟังเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าไปไปอยู่เอ พออยู่ต่อมาเนี่ยนะแกเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของไอ้โรงงานเนี่ยไอ้โรงงานในยุคก่อนในสมัยราชาการที่สี่ราชาการที่ห้าเนี่ยเขาจะใช้ควายก็ใช้ควายที่ว่าใช้ควายบดไอ้เดี่ยวทํากระดาษสาบ้างทําอะไรบ้างเนี่ก็ใช้ใช้ใช้งานควายทีนี้พอใช้เสร็จแล้วก็ถ้ามันแก่เท่าแล้วเขาจะไปปล่อยวัดในยุคนั้นนะ่ะที่กรุงเทพเนี่ยที่วัดวัดทองธรรมชาตินี่ก็เล่ากัง เป็นที่ปล่อยวัวปล่อยควายแล้ยเพราะเออแต่ก่อนมันเป็นทุ่งเนี่ยเขาก็ลัดทุ่งไปก็เอาควายไปปล่อยที่นี่นี่ตาตาแปะนี่เหมือนกันควายแก่ๆแล้วมันไม่ไหวแล้วแกก็เอาไปปล่อยพอไปปล่อยเบเสร็จแกก็กลับบ้านตอนเช้าอ้าวควายกลับมาอีกแล้วแกก็ไปปล่อยใหม่ทีนี้ก็อาไปปล่อยใหม่อ้าวกลับมาอีกแล้ววะงี้เนี่ยเนี่ยกลับมาไม่กลับมาเปล่าตอนคืนกลับไปเข้าฝันแก ก็ไปบอกอาแปะก็ว่างั้นนะควายเรียกแกบอกว่าอ้วนเนี่ยยังยังกลับเออยังยังไปอยู่วัดไม่ได้หรอกเดี๋ยวควายไปบวชควายไม่ยอมบวชบอกอยู่วัดไม่เอาถามทํมาไมก็บอกว่าอยังใช้นี่เรื้อไม่เสร็จก็บอกเอ้ยเป็นนี่เดี๋ยวมาลายก็บอกงั้นนะบอกเป็นนี่สิบหกบาทก็ก็ตื่นขึ้นมาทีนี้พอตื่นขึ้นมาก็เลย จะรู้ได้ไงไปเปิดสมุดดูว่าใครเป็นนี้โอ้โหเป็นจริงๆด้วยนี่คนหนึ่งตายไปแล้วเป็นนี่แกสิบหกบาทโอ้นี่เรื่องนี้ยืนยันได้จริงๆนั่นตายไอ้เป็นนี่คนนี้ตายแล้วเป็นควายใช่นี่บอกโอ้โหก็เลยแกก็เลยทนเลี้ยงจนตายอทนเลี้ยงจนตายไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกๆดีวานเมื่อวานยังมีคนมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องนั้นเป็นเรื่องหมูอันนี้ก็เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นหนี้เป็นหนี้เท่าไหร่ไม่รู้แล อ, อยู่ต่อมาแกเลี้ยงหมูก็งหมัน้นหมูออกลูกเต็มหมดแล้วนี่ก็อหมูมาเข้าฝันไอ้แม่หมูตัวเนี้ยก็บอกให้ขายลูกหมูซิเขาจะได้หมดหนี้หมดเีษเขาจะตายแล้วเขาว่า ง, งาังาน้นเงิ้นพวนบวนพรุ่นงนี้เขาจะตายแล้วไอ้แม่หมูมาเข้าฝันไอ้ น, นี้่จะจริงไงก็ไม่รู้นะคนเล่าเนะืออันนี้เป็นเรื่องแปลกไง อีกแกก็ขายก็ขายได้เท่ากับจํานวนที่ไอคนคนนั้นเป็นนี่ที่ตายไปนะแล้วแล้วต่อมาอแม่หมูเดีนะ๋วนั้นไม่รู้ไปอะไรระหว่างลุ้งขึ้นก็เลยตายก็ระบบกเออเป็นเรื่องแปลกอันนี้เขาก็มาเล่าอีกฝั่งบอกวามันนั่งฟังคํานี่นะี่แปลกไอเรื่องกรรมนั้นถ้าพิจารณาลักษณะอย่างนี้ตามวัฏตะอย่างนี้แล้วแสดงให้เห็นแต่ถ้าตามคําสอนนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะมนุษย์ตายแล้วจะไปเกิดเป็นเปรตก็ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ ไปเป็นสัตว์นรกก็ได้ไปเป็นอสุรกายก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ไม่ได้ก็ได้แต่ว่ามันอยู่ตรงว่าเออทิ้งขันนี้แล้วเราจะถือขันอะไรต่อไปทิ้งภาระอันนี้แล้วเราจะแบกอะไรเป็นภาระต่อไปนั่นเองนี่เป็นภไยในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนั่นถ้าพิจารณาตามคําสอนในลักษณะอย่างนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะควรจะพิจารณาให้ถูกต้องตามคําสอนสืบต่อไป เราวันนี้ก็สมควรแก่วเวลาแล้วมีใครสงสัยอะไรไหมเนี่ยมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าในในข้อแรกเนี่ยเนี่ยก็คือว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เผยแพร่พระธรรมให้กว้างขวางเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นนั้นประการหนึ่งที่บอกว่าส่วนข้อสุดท้ายพระพุทธเจ้าสอนให้ทําประโยชน์ตนก็คือว่าไม่ตรึกตองไม่เพ่งดูด้วยใจซึ่งธรรมที่ตนได้ฟังได้เรียนมาโดยพิสดานเป็นตน้น นีเปอย่างและประการต่อมาก็คือว่าในสมัยที่พระผู้มีภาคเจ้าประทับอยู่ที่วิหารเชตาเวรุวันใกล้เมืองมิถิลาท่านกิมพิระก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเครื่องให้พระสัตยรทำไม่ดำรงอยู่นานในเมื่อพระบรมศาสดาบริณีพานแล้วคือตอนเนี้ยตอนที่สาวกนี่ถามเนี่ยนะ ตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพานแล้วแต่ไปถามก่อนว่าเออถ้าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเนี่ยคำสอนที่ไม่ดํารงอยู่นานเนี่ยเพราะเหตุอะไรพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าดูก่อนกินบีล้เมื่อต ถ, ถาคตปรินิพานไปแล้วเนี่ยภิกษุภิกษุณีุบาสกและอุบาสิกาเนี่ ย, นยในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดานี่ประการแรกเลยนะไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระพุทธเจ้า เป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมคือไม่เคารพไม่ยำเกรงในคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ประการที่สองเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์อันนี้ในสาวกของพระพุทธเจ้าประการที่ Birthday. ต่อมาเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีายำเกรงในศิกขาคือในอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่ยำเกรงกันและกันอันนี้หมายถึงในเพื่อนพเมญเน ไม่เคารพซึ่งกันแลวกันดูก่อนกินพิรันี้แล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่นานในเมื่อพระตถาคตปรินิพานแล้วเออถ้าจากสูตรเนี้ทำให้ทราบว่าเวรุวันเนะี่ยมีอยู่สองแห่งนะพระวิหารเวรุเวรวันที่อยู่ในกรุงน่าจะคพื่นที่พรไปกันเนยะสักเดสัต๊ ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุเกือกแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอาเวราฮอนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ห่วงแก่กันลักกันละ ที่ท่านได้รับฟังจบแล้วนั้นเป็นการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ประัสมทบปรักะโมวัดกลางอำเภอบางปลมาจังหวัดสุพรรณบุรีท่านผู้ฟังครับการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกๆ ท, ท, ท่านสวัสดีครับ อยากได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตา낭ปาริหารตุจงมีความสุขใจสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทางสิ่งเทอ